ก็ไม่ได้ประชุมที่มาชนานมันจะร่วงสองเดือนแล้วความไม่สะดวกสบายในท่านในขันของเราเองกังวลมึนหัวเป็นแต่เรื่องตาเรื่องขันของตัวเองเวลานี้ถ้าเราจะพูดตามหลักธรรมชาติที่สัมผัสสัมพันธ์กับอายตะนะ ของเราของท่านใน<ม>องไข่ก็ตามเรารู้สึกว่าสิ่งที่จะทำให้เลวลงนั้นมีมากกว่าที่จะทำให้สงบร่มเย็นแนะะเจริญทางด้านอัดด้านทาําเพราะสิ่งยั่วยวนนั้นแต่ ก, ก่อนเราไม่เคยเห็นทุกวันนี้มีมากมายเกิดขึ้นจากความนิยมชมชอบข อ, ของคนนั่นแหละ ก็อย่างยิ่งกับพวกชาวผู้เราชอบกันนักกันหนานมีสิ่งที่เคยมีอยู่แล้วแต่ไม่พื้นขึ้นมาให้เป็นพื้นเป็นไฟมันก็ไม่เป็นเช่นอย่างไม้กิ่ไฟที่อยู่ในกล่องมันก็เป็นห่อไม้กิ่ไฟธรรมดาแต่นาออกมาใช้แล้วมันก็เป็นไฟได้นะในสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายในโลกนี้ ถ้าไม่นามัดร้ายนำออกมาทำลายมันก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ธรรมดาเช่นเดียวไม้จิดไฟที่อยู่ในกล่องนี่แหละวีลาอำนาจของฝ่ายต่ำมันมีมากมันก็ผับดันออกมาให้จิดให้คน้นให้ขนขวาย จนถึงกับได้นำออกมาใช้ให้เป็นตืนเป็นไฟเผาโลกเผาธรบมปรามากันในบุคคลแต่และคนคนซึ่งมีอยู่ได้ทั้งโลกทั้งธรรมถ้าส่อเสแสริงหาให้มีจะนี่มักจะส่อเสแสริงหาในสิ่งที่เป็นเครื่องทำลายจะมากกว่าที่จะเป็นความเจริญการทิกษาง เ, เรียนนั้นเยียนกันพอตก้อดออกมาไม่กี่วันก็ ส่งเข้าลรงน้าโรงเรียนแหลเพื่อให้รู้ให้ฉลาดหาเป็นไปการเจตนาของผู้ต้องการให้ลูกต้าหลานเหลนของตนมีความรู้ความฉลาดเพื่อความสุขความเจริญแล้วก็ไม่ว่าประเทศไหนเมืองใดมันน่าจะมีความเจริญรุ่งเมืองและสงบสุขร่มเย็นไปตามความมุ่งหมายมากต่อมากแล้วไม่มีบ้านเมืองใดที่จะบกพร่อง แต่นี้สิ่งที่บกพร่องอันไม่เนี่ยเป็นสิ่งที่มึงไม่พึงปรารถนามาแต่หายแต่แต่ไหนแต่ไหนด้วยก็คือความทุกข์เหตุสายเหตุที่ให้ให้เกิดความทุกข์ก็คือความบกพร่องนั่นะที่ว่าความบกพร่องนั่นก็เกิดมาจากความไม่ฉลาดแล้วก็ไม่สมที่ว่า อยากให้ลูกเต้าหลานเหลนของตนและตนเองมีความรู้ความฉลาดไปที่ไหนมีเรื่งเก่ความทุกข์ความทรมาเนเต็มไปทั่วโลกดินแดนเมื่อการศึกษาเพื่อความรู้ความฉลาดให้จะเดินมุ่งเหนึ่งมันไปไหนกันหมดะอีกที่ไหนเลยอันนี้เรามองไม่เห็นกันเลยข้ามไปข้ามมาในความรู้สึกว่าข้ามไปข้ามมาแต่ความจริงมันเหยียบย่ําเราตัวเราตัวเาไม่ให้ผ้ามมัน ขามไปข้ามมามีความมันเหยียบย่ำอยู่ตลอดเวลาต่างกายท า, ท, าทางนิ้วทางสมูกทางนิ้วทางการสัมผัสสัมพันธ์เพื่ความล่มตรงูกิดหายอยู่ตลอดอริยาบทที่ว่าที่สาเรียนเพื่อความนู้ความเท่ามันจะหนาที่ตรงไหนนี่ควร น, นํามาคิดเราเป็นนักบวชนักบวชไม่ใค่ส่วนนักบวชไม่พิจิตพิจารณา นักบวชมาศึกษารวมเพื่อความรู้ความฉลาดโดยอาจจะทำแล้วไม่มีเพศใดที่จะละเอียดแจ้มขมสุขขุมนักมากยิ่งกว่าเพศห่งนักบวชเฉพาะอย่างยิ่งกรรมฐานของเรามเป็นเพศที่พระพุทธเจ้าทรงมาดังเดิมจัดสรู้ก่อจัสรู้ในกรรมฐานตั้งเด็กการอินยาบททั้งสี่ คือพระอิยาบทของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ทรงปรารถนาและบำเพ็ญเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าก็ทรงบำเพ็ญด้วยกรรมาฐานทั้งนั้นอยู่ก็อยู่แบบกรรมาฐานท่องเวรก็แบบกรรมฐานอิยาบททั้งสี่แบบกรรมาฐานเท่านั้น จนได้ตรัสรู้ขึ้นมาก็เพราะกรรมฐานอ น, นาปานัสตินะฐานที่ตั้งแห่งงานที่ชอบทำและเลิศเหลอที่สุดของพระพุทธเจ้าก็คืออ น, นาปานัสตนะนะิทรงบำเพ็ญมาอย่างนั้นจกลาจเป็นความรู้ความฉลาดสุดขุมเอินโลกเกิน้งสารสมควรแห่งความเป็นดสัจจาของโลกนี่เพราะ ความคข้ครวนเพราะความปนิชพิจารณาเพราะความทุกขุคนความปีร่าภาพทุกด้านของพระพุทธเจ้านี่เราเป็นลูกศิษย์ของศ า, าสนาน่าจะได้แบบได้ฉบับมาใช้ในจิตใจียาบทระของเรามีคนจะพูดพลาดพูดพลาดไปตามแบบรูปแบบสงสารอำนาจเพราะอำนาจแห่งที่เหลุดปัญหาซึ่งมันกระดดันอยู่ภายในที่รุนแรงมากยิ่งกว่าธรรมจะแสดงออกได้ ถ้าเพศนี้ไม่พิจิรนิพิจนาแล้วจะไม่มีเพศใดถ้าเป็นน้ำก็ไม่มีเกาะมีดอนหน่ลยจะเป็นท้องฟ้ามาหาสมุทรไปหม ด, เ, หมดเพราะอำนาจแห่งพิเดตันหาท่วมหัวใจของสารโลกเพราะไม่มีธรรมเป็นเครื่องกำจัดไม่มีธรรมเป็นเกาะเป็นดอนโลกหาความสุขไม่ได้ถ้าไม่ใช้ความนี้พิจารณาโดยธรรมด้วยความแบบไหว ออกจากสิ่งที่อยาบแย้ยมทำลายอยู่ภายในใจิตใจอันนี้ปราบท่านตำหนิกันมาทุกๆุกพระองค์คำว่าปราบนั้นหมายถึงองค์ศาสดาแต่ละพระองค์พระองค์ผู้จอมปราบไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดจะชมว่าสิตต่างรามและเคยเป็นพิษลไปทั้งหลายว่าเป็นของดีมีคุณค่าแต่ธรรมชาติอันนี้ก็เคยเป็นข้าศึก รวบกันมากับธรรมของสัตยามีธรรมท่านว่าไม่ดีมันก็บอกว่าดีธรรมว่าเป็นความเสื่อมความเสียเป็นที่เป็นภันยมันก็บอกว่ามันเป็นคุณอ่างกันสิ่งที่ขัดแย้งกันมันอยู่ภายในจิตใจของเราแต่ละคนและคนนั่นแหละถ้าแนะนำธรรมเข้าไปพิจารณานี้พิจารณาสังเกตค้นคว้าหาย เหตุเหล่านี้หรือธรรมชาติแบบ่านี้แล้วก็จะไม่พบไม่เห็นแต่จะได้รับความทุกข์ความทรมานเพราะมันอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นผู้ที่จะพิจารณาให้ถึงเหตุถึงผลถึงรากถึงฐานของมันจริงๆถึงกับการทำลายมันได้ก็ตองเมินเพศแห่งลูกศิษสถาคตคือพระเหล่านี้จะเป็นลูกศิษสถาคตได้อย่างแท้จริงถ้า ตั้งใจให้เป็นตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติต า, ตามแนวทางที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วซึ่งเราก็ได้สวดทุกวันว่าสวาคาโตพระต า, าหมนี่คือพระธรรมที่จัดไว้ชอบแล้วชอบแล้วมาทั้งสิ้นตั้งแต่พื้นพื้นแห่งธรรมจนมาทรรถึงที่สุดจุดหมายปลายทางแห่งธรรมแห่งธรรมและโลกแยกจากกันได้ เราสวดทุกวันทำนี่นหละปฏิบัติชอบแล้วให้นำมาปฏิบัติกรรมจากสิ่งที่ไม่ชอบซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราเราจะมีความสงบงเยือกเย็นความรู้นั่นแหละอยู่ภายในตัวของเราที่เป็นเครื่องรับสิ่งทั้งหลายที่กล่าวมามี ทั้งโลกทั้งธรรมคือ ท, ทั้งกิเลสทั้งธรรมนั่นอยู่ที่ผู้รู้ที่ใจธรรมก็อยู่ที่ผู้รู้เลสก็อยู่ที่ผู้รู้สติธรรมปัญญาธรรมแล้วลึกขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เป็นสติที่นิพิจารณาให้เป็นธรรมเมื่อไหร่ก็เป็นธรรมไม่เคยคืบคัค่วลาสมายัยถ้าเราไม่พาคืบพาลาสมายัยไปเอ ง, ท, งทั้กิเลสเหยียบท่าทําลายตลอดเวลา อยู่ที่ไหนที่มีสติอยู่กับตัวความเพียรอยาเหินห่างจากจิตใจด้วยความมีสติด้วยความมีปัญญานี่คือความเพียรโดยแท้ของนักบวชเราตามองศ า, ศาสดาที่ทรงสังสอนไว้คือความเพียรด้วยสติด้วยปัญญารักษาใจนี่คือผู้ไม่ร้าสาร คิดออกมาเรื่องใดประการถ้ามีสติแล้วจะท่าบพันทันเทียนถือว่าเป็นความคิดถูกหรือผิดยิ่งความคิดด้วยความมีสติด้วยแล้วจะเป็นธรรมล้วนๆไม่เป็นข้าศึกแสงขึ้นมาเลยนอกจากจะปล่อยให้อํานาจของกิเลสทันห า, ย, ายัาบย่ํำทำลาสติปัญญาให้หายหน้าไปหมดแล้วมีธรรมชาติอันนี้ทํางานเท่านั้นซึงจะเป็นปืนเป็นไฟซึ่งที่หัวใจของเราทุกคนใช่พากันนมัว่าง ใจตวงนี้เป็นผู้รับเคราะหรับกรรมในกิ่งชั่วทั้งหลายที่ตนทำลงไปด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจเพราะปราศจากเจ้าของที่แยบคายที่ฉละได้แต่สติปัญญาเป็นเจ้าของของผูร้รู้นั้นจึงต้องสั่งสมธรรมชาติทั้งสองไว้ในอิริยาบถต่างๆอยากให้้า้สาระจากพระเราผู้ตั้งใจชำระ ไม่ดีทั้งหลายภายในใจนะจะได้ดจะได้เห็นบ้างว่าศาสดาองค์เอกแต่ละองค์องค์ที่สอนทำไว้เพื่ความสงบล่มเย็นจนถึงขั้นปรามังสุขขังทำก็ประกาศเอาไว้ว่านักดีสันติปรังสุขขังนี่ก็คือสุดยอดแห่งธรรมนั่นแหละสุดยอดแห่งความสุขที่ทำพาเดิน ที่ทําพาเก้าวพาไปอุรักษณ์ไรนะธรรมจะเจอธรรมบทนี้นาฏิสัสนสีปรางสุขขังทุองขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนะอะไรเราไม่สงบดินฟ้าอากาศเขาก็อยู่ตามธรรมชาติของเขาลมไฟเขาไปอยู่ธรรมชาติของเขาสิ่งทั้งหลายในแดนโลกกระฐานนี้อยู่ตามหลักธรรมชาติมีอยู่ตามหลักธรรมชาติของตน แม้แสดงอาการผากโขนโนดเด่นให้เป็นฟืนเป็นไฟเหมือนหัวใจของสัตว์โลกนี่เลยนั่นเมื่อหัวใจนี้ได้ถูกช่วยเหลือด้วยวิธีการต่างๆของเจ้าของคือสติปัญญาแล้วธรรมะธาตุาที่เคยรุมแรงที่เคยเป็นฟืนเป็นไฟผากโขนอยู่ภายในจิตใจจะสงบตัวลงไปสงบตัวลงไป จนกระทั่งถึงสงบราภาพไม่มีสิ่งใดเหลือเลยตามบทธรรมที่ว่านัติสันติประงสุขขังนั้นจะเด่นชัดขึ้นที่ภายในใ่ดวงนั้นๆแหละที่มีธรรมที่ว่ารักษาปราบปราให้ได้เห็นธรรมบทนี้ตามทางศัสนาที่ส่งมือหวังอย่างยิ่งต่อสัตว์โลกบ้างพวกเรานักสสันติประงสุก ข, ขงัง หืออื่นยิ่งขอความหาบยิ่งขอความสงบไม่มีคือที่ อ, อื่นไหนก็ดีที่ความสุขดังที่กล่าวนี้จะเกิดขึ้นไม่มีถ้าเกิดขึ้นที่ใจดวงนี้ได้เท่านั้นนอกนั้นไม่ปรากฏเพราะใจดวงนี้เกิดได้ทั้งไฟทั้งน้ําะเกิดว่าได้ทั้งสุขทางสุขทุกข์ที่เป็นอนันตริยทุกข์ก็มีที่ใจเกิดได้ที่ใจทุกขที่เป็น พลังสุขขังก็เหมือนกันออก็เกิดได้ที่ใจของผู้ ร, รักษ า, าตัวเอง น, นะ่นเอที่จะยังใจให้ถึงขั้นนัตติสันติพลังสุขขงังพระพุทธเจ้าก ข, ข้อ ส, สอนไว้ทุกบททุกบทตั้งแต่พื้นพื้นฐานก็เพื่อจะก้าวเข้าสู่นัตติสันติพลังสุขขงังนี่แหละไม่ได้แยกไปที่ไหนเลย คว่าเป็นผู้มีสี้นก็มั่นกันความทำลายสิ้ก็คือทําลายตัวเราเนี่ยท่านจึงให้รักษาสี้เพื่อรักษาตัวของเรากายวาจาการแสดงออกไม่ให้เป็นภัยต่อจิตใจตัวเองสมาธิคือความโล่มเย็ยนของใจไม่ยิ้นรนกัดแกว่งกระวนกระวายเหมือนถูกฟืนถูกไฟเผาก็คือสมาธิ <c oughs> ของใจที่สงบ ด้วยอำนาจการกำจัดสิ่งที่พายผุ้งสั้นทั้งหลายนะด้วยบทภาวนาบทใดก็าตามท่านก็สอนไว้แล้วบทธรรมที่จะทำใจให้เกิดความสงบร่วมเย็นท่านเรียกว่าสมถะธรรมนี่ก็เราคล้ายๆก็ได้อ่านได้เห็นว่วกรรมฐานสี่สห้องคืออะไรบ้างนะนี่จะเป็นธรรมสงบให้ใจสงบ เพื่อดับปืนดับไฟยิ่งจะแจ้งถึงเรื่องอิเลสประเภทต่างๆให้เห็นชัดและทําลายกันได้ก็คือปัญญาท่านก่แสดงไว้แล้วทุกขั้นของปัญญามีเป็นเครื่องสังหารกิเลสส่วนสมาธิเป็นเครื่องต้อนกิเลสเข้ามาสู่สุดรวมเพื่อการทําลายได้ง่ายสมาธิจึงเป็นความจําเป็นจ่ต้องไล่ต้อนกิเลส ตัวพุ่งสาหวนวายตัวคดตัวขนองให้เข้าสู่ตุกที่จนกรอกจนมุมเมื่อแล้วใช้ปัญญาพิมพิจณาคลี่คลายว่าฟันหันแหละกันไปโดยลำดับจำราของปัญญาและของกิเลสประเภทต่างๆที่เหมาะกันกับสติปัญญาอย่าท่ำหันกันในวาระอันนั้นจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือเลยภายในจิตใจ วันนี้เราจะไปหาความสุขที่ไหนมันก็เห็นชัดๆจิตภายในจิตใจเพราะปรับไปจากภาพจิตภายในตัวเองเท่านั้นความว่าค่าสุขก็คืออะไรอีหล่ะเนี่ยจะหนีไปจี้ไปเล่ห์ไปได้อย่างไรเล่หมันไม่อยู่ที่อื่นที่ใดมันอยู่ที่ใจเท่านั้นก็คำจับจะลงด้วยสีิปัญญาดังที่กลาวแล้วิมุตติหรือพ้นก็พ้นจากสิ่งจองจําทั้งหลายนี้เองไม่ได้จะพ้นจากอะไรเนี่ยกยก็มีอยู่ที่นี่ทั้งหมด รวมอยู่ที่ใจดวง น, นี้แรงนี้ที่เหลือในหัวใจแต่เพราะอย่างนี้ของชาวพุทเก่านั้นมันดื้อด้านหามกล้าเท้าสิ่งที่อย่างขึ้นชื่อว่าไม่เป็นอัตเป็นธรรมแล้วย่นเข้ามาก็นักบวชเราให้ระวังให้มากอย่างนี้มันกลายเป็นความดื้อด้านไปแล้วนะ ถือเป็นเรื่องธรรมดาไปหมดเพราะมันคินมันชาหน้าด้านในสิ่งที่เป็นภัยทั้งหลายในสิ่งที่ปราดทั้งหลายท่านตำมิติเกียนถึงขนาดอย่างรุนแรงมันก็เห็นว่าเป็นธรรมดาไปหมดเพราะกิเลสพาให้ด้านนะั่นแหละในละวัตระวัะวงให้มากนะศา ส, สนาที่ว่าสิ้นสุดไปจากโลกศา ส, สนาไม่มีในสมย น, นั้นเ่็น ล่วงไปสนนั้นปีนี้ี่ปีศาสนาจะหมดมันคือหมดจากหัวใจแห่งความเชื่อความเคารพนับถือของสัตร์โลกนั่นแหละไม่ใช่คำภีบรลานคำว่าบาปบาบุญได้หายไปนรกหายไปสวรรค์หายไปบาปบุญหายไปจากธรรมชาติแห่งความจริงของตนแต่มันหายไปที่ หัวใจของจัดโลกที่เชื่อต่อความดีความชั่วทั้งหลายเพื่อจะได้ละเว้นและสั่งสมให้มีขึ้นภายในใจนี้เท่านั้นมันหมดไปที่หัวใจนี้คำว่าบุญมันก็ไม่มีควา ม, มลึกรู้พอที่จะสาะเสียงบุญเสียคำว่าบาปมันก็ไม่ลึกรู้พอที่จะครัวบาปที่ได้อด ต, ตะปะมีในใจเสียอันสุดท้ายมันก็ถูกคิดเล่ต้อนเข้าสู่โรงท่าสัตว์ สัตว์สัตว์อะไรคือใครสัตว์มนุษย์สัตว์ทุกประเภทถูกพ่เหรนมันต้อนเข้าไปสูโรงฆ่าสัตว์ฆ่าสัองหารทำลายตลอดเวลาเพราะฉะนั้นไปที่ไหนจะมีแต่ความทุกข์ร้อนบนหัวใจสัตว์โลกเป็นไปหมดแต่พ่ออย่างยิ่งมนุษย์เราที่ปากมันตอบต่อ น, นี่ไปที่ไหนมนนนีแต่เรื่องเย็นแต่เรื่องบ่นว่าทุกข์กแต่การสั่งสมทุกขนขวายทุกเพื่อเผาตัวเองนั้นไม่มีคำว่าถอยนแม้รายเดียวครับ จะไม่ปรากฏแล้วตัวนี้เพราะเป็นนั้นจะให้ทุกมันดับไปได้ยังไงเมื่อมีการส่นเสริมกันอยู่ตลอดเวลาเช่นนั้นในนักกรรมฐานเราก็เหมือนกันอยากพบจากเห็นความสงบสุขร่มเย็นความชิ่นชิเลยแต่เต็มไปด้วยความขี้เกียจขี่ข่าน air, ทอ่อนแอเพราะแค่เลีวไหลในการประพฤติปฏิบัติตัวแล้วหาความดีมาจากไ น, น กิเลดมันชอบสิ่งที่เราชอบนั่นน่ะดูอังกิเลดนั่นแหละพาให้ชอบไม่ใช่พ า, า, พาใครยชอบแต่เราไม่รู้ผลของมันมันก็เหมือนสัตว์ตัวหนึ่งจูงเข้าไปในโรงฆ่าสัตว์มันก็ไม่รู้ึงเข้าไปถึงที่แล้วหาที่ไปไม่ได้แล้วจนกอกเต็มที่แล้วถึงจะทราบก็เป็นวราระสุดท้ายที่จะตายเสียสุดท้ายก็ตายตายตา ย, ตายด้วยกันนะสัตว์ตัวใดที่เข้าอยู่ กล้าเข้าสู่ในโรงเข้าสู่โรงฆ่าสัตแล้วไม่เห็นมันรอดออกมาได้หรือ น, นี่ก็เหมือนกันจะลงที่เรียดได้ต้อนเข้าไปแล้วเพืเออ่อข่มหน้าดลบความฉลาดของมันก็เป็นเช่นนั้นพอถึงวาระลืมตัวพอถึงวาระพอจะรูดตัวก็เป็นวาระที่ซ้ายเกินไปกันนล้ซ้ายเกินไปไปแล้วทําะไรมันดีแล้วหรือที่ว่าสายเกินไปในสิ่งที่ไม่ควรให้สายนั่นน่ะเวลานี้ใจของเราเปืีอยน สิ่งที่ผิดกันขึ้นเพื่อความเป็นปืนเป็นไฟเดี๋ยวนี้ทุกหย่อมย่านนะก็สุขิเลศมันกล่อมออาอย่างต้งนหะดึ่งถือเป็นธรรมดาถือเป็นความมื่นเนืองบันเทิงถือเป็นความนับถือเป็นความนิยงมุ่งกัน ท, ทั้งที่มันเป็นปืนเป็นไฟเวลาเนี่ยมากินกินนะจนเรียกว่าเลื้อยหูเลื้อตาเนื้อหัวใจที่จะคิดจะอ่านใส่ใจตามมันได้ถ้า มีข้อคิดมีความคิดเพื่อจะหีเลี่ยงเพื่อจะแก้ไขอยู่แล้วก็เป็นดังที่ว่านนะั่นคือมากต่อมากตาสัมผัสภัพก็คือห้าสิบหูสัมผัสภัพก็คือสามสิบสัมผัสสัมพันธ์กับเครื่องอะไรนี่แต่ค้าสึกที่มนุษย์นี่ส่องแสงหามาเผาตัวเองเท่านั้นทำจะมีข้าที่จะเกิดขึ้นได้แล้วความทุกข์นับวันที่ทวีคูณขึ้นโดยลำดับตำดา นี่แหะที่ว่าโลกมันจเจริญรู้เอาทิมันไม่ได้เหมือนธรรมจเจริญ น, นะโลกจเจริญนี่ความรุมร้อนจะเผาแผดเผามากขึ้นโดยลาดับลำดับแลว้วไม่มีใครเห็นโทษของมันด้วยเพราะความรู้ความฉลาดไม่พอที่จะเห็นโทษของมันได้จึงต้องดุงถูกมันขับใสเขาลงฆ่าสัดลงความทุกข์ความทรมานตลดอดเวลา เห็นานี้แบกคำพียูแท้ที่หัวใจทำไมจึงต้องให้เป็นวิเลยะมันใส่เขาลงข้าวตว์เหมือนดังโลกทั่วไปล่ะมันไม่งงกว่าเขามากไปแล้วหรือยางเามากรรมฐ า, านกรรมฐ า, านมันจะมีแต่ชื่อนะจะไม่มีความจริงอย่างกรรมฐ า, านเราผู้ประกอบงานต้อาพันต้องพั น, พนอย่า น, นี้จะไม่มีนะ ทางยงกรมเป็นยังไงบ้างนี่ทางของศาสดาทำงานสำนัก ง, งานของศาสตาของพระสาวกอรหัตกระหัตท่านคือทางจงกมกรมสถานที่ในป่านในเขาทำนาไพรต่างๆดังที่คำสอนไว้ย่ยอๆว่าลุกขโมยเส้นนาสนางังนี่นี่ ส, าาสถานที่ที่ทำงานของจอมปราดทั้งหลายเพื่อความบุญพ้นเพื่อความนึกเลย ในป่าในเขาในถ้ำเนื้อผาทั้งดกงานของท่านสุเจศาลุมานข า, านตันตาแต่จูตลอดอาการสามสิบสองและทดทั่วไปที่จะสงเคราะห์เข้ามาในงานเพื่อความหิดทนด้วยความเพียรที่ประกอบด้วยสติปัญญาทางจงตรมเป็นสถานที่ทำงานของจอมปราศคือพระพุทธเจ้าของเราของพระสาวกพราหัระหันทั้งหลาย นั่นแ่ละคือทางจมกรมในป่าในเขาที่หนักทษเงียบอาหารแบบบินธบาตปินนียโลกโพรชนังในท่ายปรชาได้มาด้วยกำลังปีแข่งของตนไม่ฟุ้งเฟอ้เอเหอ่อเหิมกับการดู ก, การกินการหลับการ น, นอนมีเท่าไรก็กินตามเรื่องฉันตามเรื่องและมีความมักน้อยเป็นพื้นฐานอยู่ภายในจิตใจ ไม่ให้ความฟุ้งเฟอเ้อเหิเกิดขึ้นได้นะอัปิจชาตานปราบอยู่เสมออปิจชาตาแิแปลว่าความมากน้อยนะทำมาสันโดษือความยินดีถ้าลดลงมาก็มาสู่ความยินดีตามมีตามเกิดตามได้ไม่ฟุ้งเฟอเ้อเหินกับสิ่งทั้งหลายที่จะให้เป็นภัยตะตุ น, ตนคือปัจจัยสี่ น, ะนี่แหละปราบท่านเดินท่านเดินอย่างนี้ธัรธะของพวกเราพุทธทางสังฆฉานี้ ท่านท่านเดินอย่างนั้นสำนัก ง, งานของท่านก็ยังที่ว่านท่านมีที่ทำงานไม่อยู่เล่ล่อน่่น่่่่่่่่่่่่่่่ม่่ม่่่่กรรมฐ า, านแต่ชื่อดังที่ปรากฏอยู่เวลานี้เดือนบ่นไปหมดไม่มี่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ท่่ทาาาท่า่่าทท่่่่่่นะ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ จะไม่มีียบทที่เป็นภัยต่อกิเลสไม่มียาบทที่เป็นภ า, านวะกรรมฐานคือประกอบความพักภาคเพียรทํางานตามหลักศาสนาที่สอนไว้นะจะไม่มีอะไรเหลือเลยอะไนี้ให้คํานึ่งเสมอผู้จะปฏิบัติด้วยความพ้นทุกศาสดาท่านดําเนินยังไงท่านก้าวเดินไปแบบไหนบ้างท่านสอนไว้หมดมต้องแต่ขั้นสรดสลายกับศาสดาทแท้ๆน่ะก็ ก็จะดุจภายไว้เห็นไหมล่ะนี่ลท่านเดินทางสถานที่ดีของปราดทั้งหลายท่านอยู่อย่างไงท่านปกฉันอย่างไงท่านใช้สอยอย่างไรนั่นปัจจัยสี่เป็นยังไงบ้างปัจจัยสี่ของจอมตะท่านเป็นของผู้จะฆ่าที่นี่ท่านใจดำเนินตามด้วยความสนใจคําว่าพุทธังสนังชานี้ ถือว่าเจ้าเป็นแบบเป็นฉบับฝักเป็นฝักตายฝากตรงนี้ในจุดที่เป็นธรรมเพื่อค่าที่เลวของตัวเองมันสิถึงจะถูกสังฆังสนังกระฉามนั้นกันท่านพาดําเนินยังไงท่านดําเนินกันมาอย่างไรสังคังสนังกระฉานี้ก็คือคนธรรมดาเหมือนเราเร า, เร า, เราท่านท่านนี้เบื้องต้นแต่เมื่อได้ต่อสู้กับที่เลวด้วยอำนาจแห่งธรรมบนหัวใจเป็นธีริกิจใจแล้วท่านก็เป็นานะขึ้นมา ทำมังคธนกระ า, ามนี้ปรากฏขึ้นมาได้ด้วยการของขวายที่ถูกต้องดีงามของสัสดาและสาวกทั้งหลายนั้นเราแค่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเกิดวิธีการแบบบ้างเราควรนํามาพป็นวิธีการใ น, รนใยูนีเตอร์เดินโยนก ม, มันจะป่ามันขาขาดมันเห็นเป็นยังไรเกิ ด, ดมันไม่เคยขาขาดก็เดนินโยนมป้าเท้าแตกดังดสัสดาบ่ดังทำท่านสอนไว้ดังพระสาวก บางองค์ท่านดำเนินก็ให้มันเห็นมั่งเล่ฝ่าเท้าแตกมันมีแต่หมอนแตกเสือขาดก็นั่งไมอ่อยู่นอนไมอ่อยู่นั่งนอนด้วยความที่เกียจขี้คลานมันขัดกันไปอย่างนั้นระหว่างศาสราสาวกแลกับพวกเราไปไหนมีเดี๋ยมองเห็นมีแต่ผ้าเหลือง แค่สีผ้ากรรมฐานแต่งานของกรรมฐานไม่ไม่เหลือมีแต่กิเลสทํางานอยู่วนหัวใจของกรรมาฐานการแสดงออกมีแต่เรื่องของกิเลสพาให้แสดงทำไม่มีแสดเจะเอาความเลื่อเรือมาจากไหนพระเรานะ่ะพิจารณาให้มันถึงธรรมด้วยให้ถึงกิเลสแล้วก็ถึงธรรมถ้าไม่ถึงกิเลสแล้วจะไม่ถึงธรรมเพราะธรรมนั้นถูกกิเลสครอบเอาไว้หล้เพราะฉั้นจึงต้องลากธรรมลากกิเลสออกมาด้วยอำนาจ ของสติธรรมปัญญาธรรมมิริยาธรรมนี่จะได้เห็นเรื่องของกิเลสนอกนั้นไม่เห็นผู้ที่ตตั้งคือความขี้เกียจหินนวิริยางความเพียนเร็วไม่มีทางที่จะให้รู้เรื่องของกิเลสเป็นยังไงก็ดีเรื่องของธรรมเป็นยัไงจะไม่เห็นไม่รู้เน่ยบทั้งสี่ยาดืมตัว ีก็พระก็มากโดยลำดับธรรมดาในวันนี้เรื่มมาเพื่ออะไรในข้อนี่ยงศึกษาทั้งทางตาทางหูจิตใจเป็นสงคัญยาอยู่นิเฉยใช้ความคิดความอ่านีที่หมัดใจเวลานี้ไม่ได้ยกตนขุมท่านมาเราพูดในฐานะลกิตกับ มองดูเกับปีริยาการแสดงออกของหมู่เพื่อนนักจะไม่ค่อยใช้สติปัญญานี่ที่เคยพูดเสมอเสมอมันน่าพูดจะไม่พูดอย่างไรก็มันสะเทือนอยู่ในสายตาในหนูขณะที่ฟังขณะที่เห็นความเคลื่อนไหวของเพื่อนสูงที่มาอาศัยอยู่เพื่อการอบมศึกษาหาความรู้ความฉลาดแต่การแสดงออกนั้นมันไม่ใช่ความรู้ความฉลาดดังที่มุ่งมาศึกษานี่ยนะหรือว่าพูดเป็นหัวหน้านี่าสแสดงอย่างนั้นเลย นี่ก็น่าที่จะนาน ย, ยูน่คะแล้วกิเลสมันจะหลุดลอยไปด้วยวิธีการอย่างนั้นเลยนี่ที่ําการอีกอันทาว่าแสดงออกด้วยวิธีการอย่งนั้น ก, กิเลกก็มันก็จะต้องกิเลสไปหมดไม่เป็นธรรมนักครูอาจารย์ผู้เป็นธรรมท่านเอานั้นเหลือมาแสดงนี่มันน่าคีดนี่นะทําอะไรไม่ใช่ความปีติใจ เรามีแกกมีคนมุงกันให้ระมัดระวังอย่าไปพุ้นกับไครแต่ไม่รังเกียจใส่หากไม่พุ้นกับใครนอกจากทำเท่านั้นที่เป็นที่ฝักเป็นฝักตายของพระของเราให้หนักแน่นในธรรมทั้งหลายนี้สติธรรมเป็นสำคัญสติธรรมที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพูดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นวาลใด สตินี้สติทรรมนี้จะจับจะจากไม่ได้เพราะเป็นธรรมนี้สำคัญมากทีเดียวเป็นพื้นฐานที่จะให้เกิดอย่างธรรมทั้งหลายทุกแง่ทุกมุมของธรรมเกิดจากสติธรรมนี้ทั้งนั้นซึ่งได้พูดถึงเสมอเสมอถ้าเป็นอาหารกั็ว่ากันไปว่าเป็นพื้นฐานของอาหารนั้นเองนี่ก็อ่อนลงอ่อนลงทุกวันทุวันนะรู้แนวในหัวใจของเจ้าของที่เคยใช้ต่อโลก รู้สกวอ่อนเข้ามาอ่อนเข้ามาหมดเข้ามาหมดเข้ามาสุดท้ายเลยทำจะเป็นลักษณะที่ว่าให้อินฉาละอาใจไปลไปแล้วค้นควาทำเป็นความค้นค ว, ควน้นออยเข้ามาน้อย เ, เพราะอะไรนี่มันก็ทราบเรื่องสาเหตดแต่ไม่จำเป็นต้องเจรนายกนันเรียนมาจนจนมีกิจกำลั ง, งแล้ว เรียนนั่งธาตเนั่งขันนั่งเป็นนั่องตายนั่งเท่าลงแก่นั่งความทุกข์ความลำบากอะไรเรียนมันจะติูตลอดเวลาโลกนี้อยู่เหมือนกั น, กนเรียนมันจะจนเอา้าให้มันจบในหัวใจสิแล้วมันจะสุดกันที่ตรงนั้นนจะไม่มีอะไรเป็นปัญหาเลยถ้าเรียนเรียนโลกให้จบด้วยธรรมแล้วไม่มีอะไรเป็นปัญหาสร้ า, างเพื่อนัว ใ, น ใ, นใจได้เลย มันเป็นปัญหาเดี๋ยวนี้เรคือเราตามไม่ทันมันเองเรื่องของโลกตามไม่ทันเพราะมันแหลมคมมากคำว่าโลกโลกจะมหมายถึงที่เรียกเป็นพื้นฐานของโลกจะหมายถึงอะไรนี่แหละมันสาคัญที่ตรงนี้จรงต้องอาศัยธรรมมาเป็นเครื่องพูดถึงเครื่องค้นกันขึ้นมาอันไหนที่ควรต้องหานทาลายก็เอาให้เรียบไปหมดฟันหัวใจแล้วจะไม่มีปัญหาเลยนี่เลยว่าเลี่ยนสุด สุดเหุสุดผลสุดโลกสุดธรรมสุดที่หัวใจเนี้ยก็มีอะไรเป็นปัญหาขึ้นมาเน่ยรับความทุกข์ความลําบากอีกเหมือนแต่ก่อนในร้านนี้นะให้หนักในความเพียรนะสถานที่นี้เป็นสถานที่หนักความเพียรนะครูวาอาจารย้าถือหัวใจถ้าถือความเพียรนี่เป็นหัวใจของพระธรรมทาน ของผต้องการความพ้นทุกย่าลืมอย่าให้เห็น เ, ด, ด, เด่นๆด้านๆเก๊กังๆอะไรที่มองดูแล้วมันขวางตาตาจะแตกว่างวันหนึ่งวันหนึ่งแล้วว่าให้มีงานอะไรเลยให้มีตั้งแต่เวลาประกอบความภาพเปียนของพระของหนึ่งนั เราเราทั้งหมวนมากเรื่องอย่างนี้เพราะเราไม่เห็นจริงได้ว่าเป็นของเลิเ่อเลยยิ่งกว่าการประกอบความเพียรเพื่อสร้างหารกิเลสตัวเป็นภั ย, ย, ยภายในจิตใจของเราแต่ละคนแต่ละองค์แต่แแแตแองค์นั้นนี่เป็นสําคัญมากต้องให้มีเวลาเพื่ออันนี้อย่างเดียวเท่านั้นเราอยากพูดว่าอย่างเดียวเท่านั้นเพียงนั้นอาศัยช่วยการช่วยเวลานิดหน่อยพียงไม่ไปกังวลกับมัน ให้มีหน้าที่การงานอยู่กับใจอย่างเดียวเรียกว่าอยู่กับความเพียรอย่างเดียวใครอยู่ที่ไหนก็ให้เป็นความเพียรอยู่นั่นเองเดินยกยมนั่งสมาธิภาวนานี่คืองานของพระอย่าให้ลดน้อยถอยลงไปนะจะลดคุณค่าของพระลงประดุลดับนะหากพระเรายังพอมีคุณค่าอยู่บ้างนะถ้าไม่ให้กิเลสเอาไปถลุงใช้จนหมดอคุณค่าธรรมที่ควรจะมีอยู่ในใจนั้นนะ ทำมาตั้งแ